ขอความเจริญในธรรมจุมีเดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประปุติญาณในวันนี้ก็จะกล่าวถึงวิริยะคือความเพียรในความหมายต่อไปและข้อต่อไปนั้นจะเรียกว่า น, นิกกะมคือเพียนพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสามารถเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในด้านการงานเหล่านั้นขึ้น ตามปกติแล้วมักจะเรียกถึงการปฏิบัติพัฒนาจิตใจตามโครงสร้างของใจสิ่ขาคือศีลสมาธิปัญญาท่านเองแากว่าบุคคลใช้ความเพียรในแนวที่ว่า น, นิกกามันมีลักษณะคล้ายๆกับขัดพัชนะทงเหลืองหรือว่าการรับมีดหรือว่าการถูพื้นหรือการซักผ้าอะไรก็ตามนะครับ ก็จะเพิ่มความประนีตขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าความเพียงจะหนักหรือเบามาขึ้นอยู่กับใบสนิมที่จับอยู่ที่พัชณะเนี่ยมันมากหรื อ, รอน้อยคือทรงอุปมาเห็นการขัดสนิมเนี่ยมันค่อนข้างชัดเนี่ยดูง่ายพรสนิมที่จับอยู่ที่พัชณะบางทีมันหนาเตอะเลยถ้าความเพียนมันต่ำมันก็ขัดไม่ออก พความเพียรต้องมากแล้วลองสังเกตว่าความเพียรอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องมีสติมันก็มีสัมปันยะมีความเพียรมีความมุ่งมัน่นเรียกว่ามีอัติฐานะมีสัจจะปฏิญาณอะไรแต่ไรเนี่ยตัตถยาทิฏฐานคือตั้งใจเด็ดเดียวไม่เสร็จไม่เลิกอะไรแต่อะไรเนี่ยความเพียรอย่างอื่นมันจะอคุณธรรมอย่างอื่นมันจะค้าบันนุนเป็นอันมากเพราะแนวนิกกามา ก, ก็คือว่าเช่นสมมุติว่า เราจะปฏิบัติพัฒนาเอาเฉพาะในด้านศีลห้านะฮะแล้วให้มันมีความประณีตขึ้นไปตามโครงสร้างของกุศลกรรมบสุสิถ้าท่านฟังลองสังเกตดูนะฮะว่าศีลห้าศีลแปศีลสิบฮนะมันจะมีข้อสุราอยู่ด้วยแต่พอถึงกุศลกรรมบทอกุศลกรรมบุแล้วก็ จะไม่มีอันนั้นด้วยคืออ า, อาชีวมัตตกศีนศีนในองค์มรตนะะมีสัมมาวาจจาะสมากรรมตะสมาชีวะมันไม่มีสุราแต่สุราไปอยู่ที่ไหนล่ะตัวนี้เป็นการแสดงธรรมะให้เพิ่งสังเกตและแสดงธรรมะสุรามันไปอยู่ที่พว ก, กกลุ่มของอบายมุกก็คือนักเลงสุรา ทีนี้ถ้าถามว่าคนจำนายล่ะคนผิดคนจำนายล่ะตรงนี้ถ้าเรามองในแง่ของศีลธรรมก็ถือว่ามิจฉาวรรจฉาการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดแต่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายก็เป็นเรื่องของกฎหมายเข้าไปเพราะบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมในท้องถิ่นตรงนั้นเท่านั้นเอง ที่บงังคับไปควประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าทําอย่างนั้นก็จะผิดจะทาอย่างถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะถูกอะไรเนี่ยมันก็แล้วแต่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคือไม่ได้เกี่ยวกับบาปเป็นนรกสวรรค์อะไรจนคือยกตัวอย่างให้ฟังว่าเหมือนกินข้าวเย็นเนี่ยนะซึ่งอยู่ในศีนแปดสิ่งบทสดแล้วก็สีเงาะพระอของของ ของนักบวชทั้งหมดนะฮะนบวชระเภทก็เรียกศาสตธรรมิกทั้งห้าเนี่ยเราเจนว่ามันเป็นอุปการะเพราะว่าท่านเหล่านี้ปฏิบัติศีลประเภทพรมจันทร์คืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นเมื่อท่านต้องการยายศีลข้อนี้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะต้องมีอุปการะคุณก็สนับสนุน ถ้ายังหรูหราฟูกฝ้ฟยังฟุ่มเฟือยยังกินอยู่อาหารอย่างดีแต่ ก, ก็ดูฟอนรำขับร้องประโคมดนตรีกระตุ้นราคะโลภะโทสะโมหะมันก็ไปไม่ไหวเพริงก็ตัดกระแสะพวกนี้ไปตอนนั้นแนวของนิกมะที่มันจะขัดเกลาจิตใจไปเรื่อยยประนีตไปเรื่อย จะเห็นว่าถ้าแนวของกุศลกรรมบทคือชื่อมันเหมือนกันเนะ่ปนาณาติปาตาทินาธานาในชื่อเหมือนกันแต่ว่าแนวของกุศลกรรมบทนั้นถ้าจะพูดแนวลึกลงไปจะเรียงเป็นสี่ระดับเช่นสมมติว่าสีข้อข้อที่หนึ่งเอาเอข้อที่สี่จะงกันได้ข้อที่สีนนะส่ฉันไม่พูดเท็จเองแล้วก็ไม่บอกให้คนอื่นพูดเท็จ ประการที่สามเนี่ยไม่ยกย่องสรรเสริญคนที่พูดเท็จไม่ชื่นชมกับการพูดเท็จของใครประการประการที่สี่เนี่ยตนเองดํารงอยู่ในสัจจะนี่ก็แสดงว่ามันมีความประนีตลึกลงไปโดยลําดับก็หมายความไงหมายความว่าไอโา้โลภะโทสะโมหะเนี่ยมันลดลงไปโดยลําดับเพราะอะไรเพราะว่าการการพูดเท็จบางทีบางก็พูดโดยโลภะบางทีบางพูดโดยโทสะแต่ไมีมโมหะอยู่ตลอดลนะนะ หรือว่าใช้คนอุนพูดเท็จบางทีก็ก็เฉยๆเช่นว่าแม่ก็อยู่ที่บ้านก็มีคนโทรมาลูกก็ไปรับสายแล้วก็ให้ลูกถามว่าใครโทรมาไอ้ลูกก็ถามนะแล้วก็ถ้าแม่ไม่ต้องการจะพูดด้วยก็บอกว่าให้ให้ลูกเดมบอกว่าแม่ไม่อยู่ถือหมายความว่าแม่เองก็โกหกแล้วแล้วก็ใช้ลูกโกหกด้วย ทีนี้ลูกบางทีแกก็ซื้อแกก็เด็กแกก็บอกว่าแม่บอกว่าแม่ให้บอกว่าแม่ไม่อยู่เลยก็กลายเป็นปราการประจานตัวเองตามไปด้วยมาถึงประเด็นตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคือมามีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมเราไม่คิดนะว่า เช่นเขาโทรศัพท์ไปที่บ้านไหนกอเนี่ยคือเขาต้องการพูดกับไหนกอถ้าเขามีพัญญาก็ต้องการพูดทีนี้คนอื่นไปรับเนี่ยไม่น่าจะมีสิทธิ์ไปซักถามว่าคุณเป็นใครใครโทรมาถ้าคนโทรปลายสายเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้ทำยังไงคือรู้สึกว่าไม่ไม่เป็นมัญญ่าที่เหมาะสมหรืออย่างหนึ่งกุฏิพลาดเนี่อย่างไนึ่น บทีโทรไปที่กุฏิพระโยมก็ขยันน่เกิดรับให้เลยก็เสียหมดเลยกุฏิพระผู้หญิงรับโทรศัพท์ได้ยังไงเยมาโทรไปที่ไหนก็ตานะถ้าเจอผู้หญิงรับแล้ววันหลังเจอพระองค์นั้นจะต้องคุยกันหน่อยแล้วถ้าเป็นรุ่นลูกศิษย์ตัวหาก็ต้องดู ก, กันหน่อยแหละอันนี้คือคื อ, ค, อคือมันดูที่ความควรไม่ควรเนะี่ย เรานึกภาพดูแต่เออเรโท ร, โทรศัพท์มันอยู่ในห้องของพระแล้โทแล้วผู้หญิงรับอย่างนี้พระก็เสียคนเลย า, ท, าที่บางทีคนก็นั่งอยู่เยอะในห้องนั้นแหละแต่ว่าความเหมาะควรเนี่ยมันไม่เหมาะควรพันเช่นซุ่มตดขอโทรถามตัวสัถามว่านายก อ, อยู่ไหมนะแต่ถามใครโทรมาครับเอ๊ะไอ้ที่เขาถามก่อนเนี่ยทําไมไม่ตอบอ่ะทําไมไม่ตอบเขาก่อนอ่ะ ทำไมต้องไปถามละ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้โทรมาต้องการจะพูดกับเราเขาต้องการจะพูดกับนายกเราใช้สิทธิทอะไรไปถามมันยากตรงนี้ที่จริงน่าจะสัมมานากันสักทีนะฮะว่าอะไรคือความควรหรือไม่ควรคนนอกมีสิทธิอะไรไปถามเขาทำไมต้องย้อนกลับทำไมไม่ตอบคมถามเขาก่อนและเราเป็นใครตีไปย้อนย้อนไปถามท่านแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าท่านเป็นใครที่ยู อยู่ข้างปลายทางเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาเราลองสังเกตว่าแนวของกุศลกับบทมันจะลึกลงไปโดยลําดับเพราะวาถึงจุดหนึ่งเราอยู่ที่สัจจะเราอยู่ที่เมตตาตามศิ่ข้อที่หนึ่งเราอยู่ที่สัมมาชีพตามสิ่งข้อที่สองเราอยู่ในกามสังวรตามสี่ข้อที่สามเราอยู่ที่ สัจจะในสีข้อที่สี่เราอยู่ที่สติในจิตข้อที่ห้านั้นก็แสดงว่าผลเหล่านั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องมีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องและความเพียรพยายามในการไปบัติธรร ม, มานี้ที่จริงมันก็นึกๆดูเหมือนกับเราทําความสะอาดบ้านน่ะ น, นะฮะกวาดมันอยู่อย่างนั้นในทุกวันเลยแล้วก็ไม่สะอาดสักทีหนึ่งเพรกะฝุ่นต่างๆใ น, นมันเข้ามาเยอะ ใจิตใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมันมีฝุ่นคือกิเลสวนทินคือกิเลสธุรีคือกิเลสที่มันผ่านสื่อต่างๆมาที่เราต้องประสบประเพศเนี่ยมันเยอะแยะเลเกิดแต่ว่าเราก็ต้องมองให้เห็นโทษแล้วก็วังว่างๆก็ปิดหน้าต่างซะบ้างคือ่าอยากดูเกินไปอยากฟังเกินไปอยากดมเกินไปอยากริมเกินไปอยากจับต้องเกินไปเนี่ยมันก็ยุ่ง ก็เสียเวลาเยอะนี้ก็ความเพียนในแนวที่จริงเพียนนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะต่อเนื่องนะการแช่ขับอย่างนี้ท่านหมายให้ต่อเนื่องนะท่านจึงประกันผลเอาไว้มีคำหนึ่งที่เรียกว่าปรักรมะคือความบากบัน่นมุ่งก้าวรุดไปข้างหน้าจนกว่าจะบรรลุเ ป, ป้าหมายที่ตนต้อบประสงค์ เราเห็นว่าใช้ในงานทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะต้องบากบัน่นการเรียนการทํางานการรวิจิศึกษาวิเคราะห์วิจัยการปฏิบัติการอ่านหนังสือเนี่ยทั้งหมดบรรทุนกระแสะกิเลสทั้งนั้นแหละผลต่อความเพียรมันงมัน่นและความเกขัดร้านมันก็ท่วมทับใจมันก็อ้างเงื่อนไขอธิบายให้เห็ุผลแล้วในที่สุดก็เราก็ไม่ต้องทํา จนได้นะดังนั้นคุณธรรมข้อ น, นี้เราจะเห็นว่ามันเป็นหลักการสาคัญในชีวิตแม้แต่เราหายใจเนี่ยทจริงเราว่าช้าความเพียรพยายามหายใจเอาไว้บางทีเนี่ยแม้มันหายใจขัดรเราถึงก็ต้องพยายามหายใจให้ได้แล้วมุ่งมั่นไปสู่ผลสำเร็จคือหายจากอาการเหล่านะั้น ความเพียรพยายามในเรื่องนี้แหละบางครั้งบางคราวในเราเราไม่ค่อยกล้าพูดเราว่าพูดแล้วมันก็เสียคือคนฟังก็ไม่ชอบเจนนายมุกอย่างหนึ่งในสังคมเราเนี่ยคือความไม่ค่อยขยันในการทํางานหรือว่าขยันแต่ไม่ฉลาดในการทํางานเนี่ยมันมีอยู่มากเหลือเกินแล้วปัญหาซ้ํำซากซึ่ง ตั้งแต่เกิดมามันก็รู้ข่าวปัญหาเหล่านี้มาแล้วเราเอกสารสมัยรัชกาลที่ห้ามาอ่านนะสมัยกดกอดมาอ่านมันก็ปัญหาในแนวนี้ก็มีอยู่ตลอดแต่ว่าเวลาพูดเข้าไปแล้วคนก็ไม่อยากฟังคือไม่ปล่อยใจที่จะฟังท่านเล่าถึงท่านอนาตบินิกาเศรษฐีท่านเดินไปวัดพระเชตวัน แล้วก็ผ่านศาลาพักริมทางก็เจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งมานอนคุมโปองอยู่ที่ริมทางแล้วก็เท้าก็ไม่ลาง่นะฮะเท้าก็เปื้อนท่านก็ประรอบกับคุณชายที่ติดตามไปท่านบอกว่าเออคนนี้ชะลอยจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนอันนี้มันนอนตื่นแล้วนะฮะแต่ขี้เกียจลุกปอยินเศรษฐีพูดอย่างนั้นก็ เปิดภากลุ่มหน้าขึ้นมองเห็นเป็นเศรษฐีก็โกรธถานมะว่าเศรษฐีว่าแกเป็นคนเที่ยวกันคืนตั้งๆแต่แกเที่ยวกันคืนนะแต่ไปบอกว่าแกเป็นคนเที่ยวกันคืนแกไม่ชอบแกไปแอบฟันเท้าโคของเศรษฐีเผานาของเศรษฐีจนถึงไม่สาแก่ใจนะเผาพระคันตะกุฎีที่สร้างถวายพระพุทธเจ้าด้วย เศรษฐีไม่เคยแสดงอาการโกรธแกก็ไปตามประกบอยู่เรื่ยนะว่าถ้าเศรษฐีตำหนิดะแกจะต้องฆ่าเศรษฐีให้ได้แต่เศรษฐีก็ไม่ตำหนิอะไรแล้วไม่ได้ไมีหนมซ้ำยางอุทิศสวนกุศลไปให้ซะเลยก็เกิดสำนึกผิดขอขอมาลาโทษแล้วก็ขอเป็นคนใช้ของท่านเศรษฐีท่านบอกว่าโทษนั้นท่านไม่ถือหรอก แต่ว่าเป็นคนใช้เนี่ยคงจะรับไม่ไหวเพราะว่าพูดขนาดนี้คุณยังฆ่าโคฉันตั้งกี่ตัวคุณเผานาฉันไปเท่าไหร่คุณเผากุฏิฉันไปกี่หลังแล้วถ้าฉันเกิดพูดอะไรเธอไม่พอใจขึ้นมาสักครั้งนายจะทำยังไงนั่นคือเราจะเห็นว่าบางทีนี่ความจริงแต่คนปฏิเสธความจริงปัญหาในสังคมไทยคือปัญหาความไม่ขยันในการทางาน หรือว่าพระบางทีเนี่ยไม่ขยันเรียนในชั้นเรียนเนี่ยล้วก็ใครก็ไม่ค่อยกล้าพูดบางทียังรงเรียนอบรมพระทึงมาจต่ต่างจังหวัดเราไปเป็นวิทยากรล้วก็เห็นว่าท่านไม่ค่อยสนใจอะ่ะไม่สนใจฟังไม่สนใจจดไม่สนใจถามอะไรก็ทื่อๆไป แต่มาในเวลาทาหน้าที่เป็นครูแล้วก็คือครูเลยไม่สนใจใครฟังอะ่ะเราก็คือครูเลยเพรา ะ, ะเราก็ต้องซักเราต้องถามบางทีก็ดุเอาส่วนบางคนก็เตือนว่าอยอา่าไปดุก็จะโกรธอ่ะก็โกรธก็แล้วไปเไม่ว่าอะไรแต่ว่าภารากิจที่เราจะต้องทำด้วยความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำหวานเสมอไป พระเจ้าทรงใช้รับสั่งกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เราจักกนาบแล้วกนาบอีกใครมีสาระก็ตั้งอยู่ได้ไม่มีสาระก็ออกไปนั่นก็คือความบากบั่นพยายามในการฝึกคนแต่ว่าหลักการของเราเนี่ยมุ่งไปทางฝึกตัวเองเพราะพวกนี้เป็นมรตนะฮะที่จริงมาเป็นสมาวิยมรแล้วก็เป็นวิทยะบารมีจริงแต่มันเป็นมรตมรตก็กคือเหตุเทตก็คือจะเกิด ผลขึ้นมาได้เราก็ดาเนินไปตามเหตุตรงนี้เพียงแต่ว่ามันเป็นความบากบันที่มีเป้าหมายชัดเจนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากระบวนการในภาคสนามจริงๆก็คือต้องใช้ปัญญาพิจารณาสดสองมองอะไรทำอย่างไรทำไปเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไรประโยชน์ที่ได้นั้นมันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเพียงไรมันต้องมองให้เห็นทางระบบ แล้วก็จะได้ประโยชน์ตามที่เราต้องการขึ้นมาความเพียรอีกคำหนึ่งที่บางครั้งอาจจะไม่ค่อยคุนนะฮะท่านเรียกว่าอุยาโมตามปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าในที่นี้พอเอาก็จริงแลวเป็นเรื่องใหญ่เลยคือท่านบอกว่ามีความเพียรในที่สี่สถานคือเพียรระวังไม่ให้โลภะโทสะโ ม, มหะเกิดขึ้น แล้วก็เพียรละโลภะโทสะหมาที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาให้เพิ่มพูนขึ้นแล้วก็เพียรรักษาไม่เพียรรักษาใจให้อยู่กับนามรูปซึ่งก็หมายความมาโครงสร้างจริงๆก็คือโครงสร้างของสมาบัญมัตินั่นเองแต่ว่าในที่นี้ท่านเน้นไปให้เห็นชัดเจนว่าพวกกิเลสเหล่านี้ คือที่มาเนี่ยก็สั่งสอนสั่งสอนชาวทัชนอ่ะสั่งสอนชาวบ้านทั่วไปนะข้อนี้นะคะเพราะว่าใดเพราะว่าถ้าสอนพระเนี่ยตัวโลภะมันจะเป็นราคาแต่ว่าในภาคปฏิบัตินทุกคนต้องปฏิบัตินะเพียงแต่ว่าที่มาเนี่ยที่มาของพระพุทธลัมรัตน์นี่เราจะเห็นเลยอาจจะไม่ต้องไปดูถึงตัวต้นประสูิศุจะรู้ว่านี่เป็นริศสนทรงสอนพระหรือคารวะทรงสอนระดับใด อผู้ฟังนั้นมีวุฒิภาวะอย่างไรที่จึงฟังข้อความดังนั้นและจะจะรู้ได้เพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจะต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษชัดเจนก็เห็นโทษของหลภงพ่อทุสสะมุหันิชัดเจนเพราะนั้นเมื่อมันยังไม่เกิดมันเหมือนกับโรคระบาดมันยังไม่เกิดก็ต้องพยายามป้องกันพอตรอยมันเกิดแล้วมันก็ต้อง บ, บาําบัดแล้ว บ, บาบัดได้มันเรื่องยุ่ง เพนการป้องกันแล้วก็ดีที่สุดเวลา น, นี้มีข่าวที่น่าห่วงใหญ่อยู่ว่าวันโรคมันย้อนกลับมาอีกแล้วเป็นวรณโรคที่สู้ยาคือยารักษาวันโรคเวลา น, นี้รักษาเขาไม่ได้แสดงว่าเขาก็เป็นวรณโรคแต่ว่ามีความแข็งแรงมีต้านทานต่อยาได้ถึงกหมายความถ้าโรคอย่างนี้เราก็ป้องกันดีกว่า มันเกิดแล้วก็ไม่รู้หมอก็ซูกไม่ได้นะทีนี้บางอย่างมันเกิดแล้วต้องชัดเจนต้องดูตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะะเพราะถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเราเป็นคนโลภมากไปไหมโกรธมากไปไหมหลงมากไปไหมนะหลงมากไปไหมนั่นอาจจะฟังยากหน่อยว่าโง่มากไปไหมนี่เนะี่ยแล้วถ้ามองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดล่ เพรตามปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีใครรู้อะไรหมดคือรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมันจะต้องมีอยู่ภายในใจในนี้ก็พยายามที่จะอบรมพวกพระสังฆติการทั้งหลายนะพวกเจ้าวาดใหม่พวกเตรียมเจ้าวาดใดๆเนี่ยคือจะเน้นให้ท่านคิดว่าท่านอย่าคิดว่าท่านรู้แล้ว ตเราต้องพยายามศึกษาค้นคว้าอ่านมนะันไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆฟังเรื่อยๆนะฟังเทพบ้างฟังวิทยุบ้างฟังอะไรต่ อ, อะไรต่างๆไปเพื่อให้มีความมั่นใจมีความเข้าใจชัดเจนแยกแยะสื่อสารออกมาผิดถูกเนี่มันแยกแยะได้นั่นคือจากข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยเราเราเองต้องชัดเจนเพราะโลกปวดหลงเนี่ยมันเป็นโทษด้วยประการทั้งปวงแต่ ระดับของโลกนั้นถ้าเราคุมมันได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในกรณีคุมได้นะถ้าคุมได้โลภก็คือเศรษฐกิจราคะก็คือครอบครัวโทสะก็คือการบริหารโมหะก็คือศิละปะวัฒนธรรมหมายความว่าเราคุมได้นะฮะแต่และอย่างเนี่ยมันมีปัญญาเข้าไปเจือจางลดความเข้มข้นของราคะลงไป สามีปัญญาก็ไม่ได้อยู่กันเพราะเน้นเตะที่ตัวราคาจะเน้นในความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์สุขกันมันจะมีปัญหาอะไรหนักนิดเบาหน่อยไปว่ามันก็พรอนผ่ผผกันโลภะนั้นถ้ากรอบมันอยู่ดีไม่เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะหมายความว่าปัญญาเข้าไปเจือจางลดความเข้มข้นของมันลงไปมันก็กลายเป็นเศร ษ, ษฐกิจซึ่ง อาจจะกระจายรายได้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องปิดถนนเป็นแฟชั่นจะ ไ, ได้เด็ดเนี่ยเก่งกันหรือเกินชอบปิดถนนกันหรือเกินแล้วก็ทําตัวเป็นอภิสิทธิชน น, นะฮะเพราะถนนมันเป็นสาธารณาสถานเป็นสาธารณูปโภคเข บ, บริโภคใช้สอยร่วมกันแล้วก็เสียภาษีด้วยกันไอ้คนที่ปิดถนนก็เสียภาษีแล้วบางทีไอ้คนที่ถูกปิด กั้นสิทธิในการใช้ถนอนอาจจะเสียภาษีมากกว่าที่ทาไปปนนัญหาเรานี่มันต้องคิดเดยอะนะฮะแต่ก็สรุปว่าเราต้องมอง เ, อเห็นโทษชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนพยายามรถห ล, ลันแต่ในขณะเดียวกันคุณศีลคุณสมาธิคุณปัญญานั้นเพิ่งสังเกตว่าจริงๆก็คือว่าศีลเนี่ยมันเป็นตัวปิดกั้นลดความเข้มข้นรุนแรงของโลภ หมายความว่าถ้าศีลเป็นหลักให้เก่ยใจเนี่ยโลภมันจะจางคลายลงไปเราก็เห็นคุณค่าของศีลเพราะเราเองที่จริงเราก็ไปขจัดโลภไม่ได้นะฮะมันต้องศีลเปกวนขจัดให้เราทีนี้ตัวสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไปส ง, งบพวกโลภกัะโทสะเนี่ยเป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันไอ้ไอ้ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าบังเกิดมาจากเขาเรียกว่าจิตตะวิเขปะคือจิตมันฟุง้งฟุ้งอาจจะฟุ้งด้วยรักก็ได้ด้วยโลภ ก, ก็ได้ด้วยโกร ก, ก็ได้บางฟุ้งไปได้เราก็เห็นคุณค่าของสมาธิและพยายามทาใจสงบอยู่กับเรื่องที่เป็นกุศลธรรมแล้วก็โดยการพัฒนาปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเราจะเห็นว่า กุศลธรรมเขาก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวของภาวนาแนวของการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาดันเป็นกระแสหลักที่จะทำหน้าที่ลดละโลภะโทสะโมหิจางไปคลายไปวันเทาไปจนถึงหมดสิ้นไปในจุดหยาบๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆทำนองการขัดพัฒนาที่ขึ้นสนิมกันกล่าวแต่ถ้าหากว่า เพียงพยายามประพฤติปฏิบัติไปอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าอุยยาโมคือเป็ดมีความเพียรพยายามในที่ในที่สีสถานทักฟังทัานหลายแต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้องามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทัานหลายโดยโทวกันสวัสดี